น่าจะยังอยู่ได้อีกนานแต่สองเดือนผ่านไปจนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลานั่งคิดนั่งเขียนจริงจงวันหนึ่งอยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาว่าป่านนี้ผู้ป่วยที่ผมตั้งใจเขียนอะไรให้เขาได้ลาจากโลกนี้ไปหรื อ, อยังพอคำนวณเวลาดูก็รู้สึกว่าอาจจะสายเกินไปเส็แล้วจึงเกิดคำว่าเสียดายคนตายไม่ได้อาด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 ตั้งแต่หัวจดเท้าในตัวคุณขนาดนี้และตั้งแต่เบื้องหน้าคืบเดียวที่เห็นได้ถนัดไปจนถึงขอบฟ้าเบื้องไกลที่ไม่อาจเห็นได้ชัดรวนแล้วแต่เก็บงำความเร้นลับไว้ทั้งสิ้นอย่างเช่นรู้แล้วว่าเลือดเนื้อของเราได้จากท้องพ่อท้องแม่แต่จิตวิญญาณและความแตกต่างอย่างมโหฬารลับตัวคุณและใครต่อใครไดมาจากไหนกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพวกเรามี3ามตัวเลือกใหญ่ๆให้เชื่อเกี่ยวกับที่มาของความแตกต่างในชีวิตคือ 1. เป็นผลผลิตของความบังเอิญ 2. เป็นไปตามความชอบใจของผู้สร้างจักรวาล 3. เป็นวิบากของกรรมที่ทำไว้ในการก่อนหากได้รู้จริงๆเสียก่อนตายก็จะมีความหมายมาก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 อยากฆ่าใครก็ฆ่าเลยอยากปล้นใครก็ปล้นเลยอยากขมขืนใครก็ขมขืนเลยอยากหลอกใครก็หลอกเลยอยากกินเหล้าเมายาแค่ไหนก็กินเลยไหนๆก็บังเอิญอยากชั่วกันแล้วและเกิดหนเดียวตายหนเดียวเสอย่างจะต้องไปกลัวอะไรเอาแค่อยู่เพื่อทำตามอำนาจความพอใจเฉพาะหน้าก็พอแต่ถ้าเชื่อว่า ชีวิตถูกสร้างขึ้นโดยพระหัตถ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงมหิทธานุภาพก็จำต้องอาศัยบุคคลที่น่าเชื่อถือว่าเป็นตัวแทนพระองค์หมาให้คำเฉลยว่าพระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตยอย่างไรตั้งศรัทธาไว้แบบไหนห้ามทำอะไรควรทำอะไรไมิฉะนั้นแล้วเราจะมีชีวิตยอยู่อย่างคนบาผู้ไม่รู้อิโนอิเนไปจนตาย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 คำเฉลยเกี่ยวกับการเกิดการตายนั้นควรรีบอ่านให้เข้าใจเสียเร็วๆก่อนจะเหลือเพียงวิญญาณที่ถามหาสุคติภูมิด้วยความสิ้นหวังแต่ส่วนสุดท้ายคือยังอยู่และควรทำอะไรดีนั้นอาจจะต้องอ่านช้าๆและใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดในการทำความเข้าใจเพราะนี่คือหลักฝึกจิตของพุทธศาสนา คือสติปัฐานสี่ซึ่งผมนำมาเรียบเรียงอย่างย่นย่อเอาเพียงข้อปฏิบัติที่ทำตามได้ทันทีหมายความว่าคุณจะรู้สึกง่ายถ้าทำตามแต่อาจอาจ่านไม่รู้เรื่องหากแค่จะท่องจำผมรับประกันว่าถ้าอ่านด้วยทำด้วยคุณจะเป็นอีกคนที่มีสิทธิ์รู้จักความสุขอันมหัศจรรย์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 เพราะทั้งปรับแก้กโครงสร้างทั้งตัดตอนของเดิมเพิ่มเติมของใหม่ทั้งไม่มีการแยกเล่มทุกวัตและทุกบทถูกออกแบบโดยโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรจะไม่ให้มีใครถูกขวางด้วยกำแพงความยากดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับบางส่วนของฉบับเดิมคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ถูกชีวิตใช้ให้ทำนูน่นทำนี่อยู่ตังหาก สิ่งที่คุณได้มาส่วนใหญ่คือขยะที่ต้องเน่าเปื่อยตามกาลทว่ากว่าจะรู้ความจริงนี้คุณก็มักต้องสูญเสียเวลาอันมีค่าในชีวิตไปจนเกือบหมดเพื่อแรกเอาขยะเหล่านั้นมาเก็บไว้หนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านขออาสานำเพชรที่มีค่ามาให้คุณพิจารณาแทนพลอยหรือกรดหินดินทรายอื่นๆเพื่อจะได้ไม่ต้องสูญเวลาในชีวิตที่เหลือ อย่างน่าเสียดายอีกต่อไปดังตรินธันวาคม2552